ท่านนี้ก็จะทราบว่านยิยามของเวทนานั้นแปรผันได้ตามคุณภาพของจิตแต่ละบุคคลสําหรับผู้ที่ผ่านสุขเวทนาชั้นเยี่ยมมาแล้วสุขเวทนาของคนทั่วไปอาจถูกมองว่าเป็นอทุกขมสุขเวทนาส่วนอาทุกขมสุขเวทนาของคนทั่วไปอาจจะกลายเป็นทุกขเวทนาเลยทีเดียวรู้เวทนาอาศัยสัมปัญญา สำหรับผู้ที่ผ่านสัมปชัญญะบับมาแล้วอย่างได้ผลจะอ่านส่วนนี้ของเคลัญยสูตรพระสุตรตันตปิฎกเล่มที่สิบได้อย่างกระจ่างดูกราภิกษุทั้งหลายก็ภิกษุย่อมเป็นผู้มีสัมปชัญญะอย่างไรดูกราภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมเป็นผู้มีปกติทำความรู้สึกตัวในการก้าวไปในการถอยกลับ ย่อมเป็นผู้มีปกติทำความรู้สึกในการแลในการเหลียวย่อมเป็นผู้มีปกติทำความรู้สึกในการคู่เข้าเหยียดออกย่อมเป็นผู้มีปกติทำความรู้สึกในการสงผ้าสังขติบาทและจีวรย่อมเป็นผู้มีปกติทำความรู้ตัวในการกินดื่มเคี้ยวลิ้มย่อมเป็นผู้มีปกติทำความรู้สึกตัวในการถ่ายอุจจาระปัสสาวะ ย่อมเป็นผู้มีปกติทำความรู้สึกตัวในการเดินยืนนั่งหลับตื่นพูดนิ่งดูกรัภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะรอเวลานี้เป็นคำเราสั่งสอนพวกเธอถ้าเมื่อภิกษุนั้นมีสติสัมปชัญญะไม่ประมาทมีความเปียนดีใจเด็ดเดียวอยู่อย่างนี้ สุขเวทนาย่อมบังเกิดขึ้นเธอย่อมรู้อย่างนี้ว่าสุขเวทนานี้บังเกิดขึ้นแล้วแก่เราแลก็แต่ว่าสุขเวทนานั้นอาศัยจึงเกิดขึ้นไม่อาศัยจึงไม่เกิดขึ้นอาศัยอะไรอาศัยกายนี้เองก็กายนี้แหลไม่เที่ยงปัจจัยปรุงแต่งอาศัยมันเกิดขึ้น ก็สุขเวทนาอาศัยกายอันไม่เที่ยงปัจจัยปรุงแต่งอาศัยกันเกิดขึ้นแล้วจึงเกิดขึ้นจะเที่ยงแต่ไหนดังนี้เธอย่อมพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงความเสื่อมไปความคลายไปความดับความสลัดคืนในกายและสุขเวทนาอยู่เมื่อเธอพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงความเสื่อมไปความคลายไปความดับ ความสลัดคืนในกายและสุขเวทนาอยู่ย่อมละตามเกตอันแฝงตัวนอนเนื่องในกายและในสุขเวทนาเชืได้การพิจารณาระดับนี้จะกล้ยกับการดูเวทนาหกแต่ต่างกันที่กำหนดรู้ตามจริงเมื่อมีสติสัมปชัญญะต่อเนื่องย่อมยังผลให้สุขเวทนาสุขเวทนาอันเกิดจากสัมปชัญญะนี้เอง ที่จะนำมาเป็นสิ่งที่ถูกรู้ยกตัวอย่างเช่นขณะเดินจงกลมเมื่อเกิดสติแต่รู้อาการเดินศูนย์กลางที่กำหนดอยู่เฉพาะที่เท้ากระทบพื้นถึงจุดหนึ่งพัฒนาขึ้นเป็นสัมปชัญญะเบื้องต้นทราบสุขเวทนาอันเกิดจากการวางเท้าอย่างได้ดุลทั้งน้ำหนักและก็ความเร็ว ถึงจุดหนึ่งพัฒนาขึ้นไปอีกเป็นสัมปัญญะเบื้องกรางทราบสุขเวทนาอันเกิดจากการรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นเท้าเคลื่อนยกเ ท, เท้าเท้าเหยียบเป็นขณะขณะและถึงจุดยอดของพัฒนาการทางสัมปชัญญะทราบสุขเวทนาอันเกิดจากการรู้อยู่กับรู้นมามธรรมภายในปรากฏเด่นชัดกว่ารูปธรรมภายนอก กายและสิ่งแวดล้อมเป็นเพียงเครื่องเล่นสติชั้นรองเครื่องเล่นสติหลักอยู่ที่จิตผู้รู้โดยตรงสุขเวทนาอันเกิดจากสัมปัชัญญะย่อมมีความละเอียดอ่อนปราณีตามระดับของสัมปชัญญะซึ่งไม่อาจพัฒนาขึ้นด้วยความจงใจแต่จะพัฒนาขึ้นเองแบบโหนราวเกาะก็คืออาศัยสุขเวทนาเป็นตัวช่วยสมช่วยพาแล่นไป ไม่ได้ความเคลื่อนไหวขณะจงกรมเป็นตัวสัมปชัญญะที่ดีผู้ภาวนาย่อมรู้ทางว่าจะนำสัมปชัญญะแบบเดียวกันนั้นมาประยุกเป็นความรู้สึกตัวในอาการเปลี่ยนย่อยต่างๆระหว่างวันได้อย่างไรยิ่งมีสัมปชัญญะทราบความเคลื่อนไหวต่อเนื่องละเอียดละอ่อขึ้นเท่าไหร่สุขเวทนาปรากฏทีพัฒนาเป็นความเรียบเย็น แนบเนียนสม่ำเสมอในที่สุดแต่ความเนียนของสุขเวทนาดังกล่าวย่อมถูกรู้ว่าได้แค่ชั่วระยะเวลาหนึง่งคือตราบเท่าที่จิตไม่ถูกดึงไปจากความเคลื่อนไหวอย่างใหญ่และอย่างย่อยทางกายตราบนั้นยังคงสุขเย็นไว้ได้ราวกับแผ่นน้ําเรียบที่ไม่มีวันไว้ต่งต่เมื่อพบกับผัสสะกระทบ อันเป็นเหตุแห่งทุกขเวทนาบ้างอุเบกขาวเวทนาบ้างจิตอันกระทบย่อมกระเพื่องและถ้าสมไม่อยู่ย่อมตามทุกขเวทนาและอุเบกขาวเวทนาสุ ข, ขวเวทนาอันเกิดแต่สัมปชัญญะจึงดับไปเป็นธรรมดานี้เองเป็นจุดที่พระพุทธองค์ทรงให้สังเกตและเมื่อสังเกต จนยังซึ้งถึงความไม่เที่ยงในสุขเวทนาก็ย่อมละความยึดติดและความยินดีอันนอนเนื่องในส่วนลึกของจิตลงเส็ดได้หมดความอาลัยในกายและความรู้สึกที่เป็นสุขเสียได้ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ใช่พิจารณาการชั่วครู่ช่วยยามแต่ต้องพิจารณาอย่างต่อเนื่องกระทั่งรู้เวทนาเมื่อไรเห็นลักษณะ ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ทันทีจึงจะเริ่มละความยึดปิดได้จริงจุดของการคลายความยึดติดแม้ในสุขเวทนานั้นเป็นสุขอีกระดับหนึ่งที่ประณีตยิ่ง ทั้งปร่งเบาทั้งเหมือนไรสภาวะทั้งปราศจากแรงยึดเหนี่ยวสงออกมาจากแกนกลางสภาพอันรู้อันใดเมื่อนาไปเทียบกับสุขเวทนาแบบโลกโลกย่อมรู้สึกเหมือนเอาหงมไปเปรียบกับกาเมื่อพิจารณาบ่อยครั้งเข้าก็ย่อมจะเกิดความฉลาดอยากเลือกสุขแบบไรอมิตรไปเองเป็นธรรมดาและตรงจุดของความเกิดปัญญานี้ ทุกผู้ทุกงามย่อมเกิดความปรารถนามรกผลขึ้นอย่างจริงจังเพราะตระหนักชัดว่าต้องล้างผลกิเลสให้สิ้นรากเท่านั้นจิตจึงจะถึงวันปลอดโปร่งเป็นอิสระอย่างแท้จริงเมื่อปรารถนาแล้วเพียนพยายามแล้วยังไม่ถึงการผลิดอกออกมรกผลก็เป็นธรรมดาที่จะเกิดความโทมนัต์เรียกว่าโทมานตแบบไม่มีอามิธ พระพุทธองค์จึงประธานแนวไว้ด้วยให้เปรียบระหว่างโทมนัทมีอมิตรกับโทมนัทไม่มีอมิตรซึ่งจะพบด้วยตนเองว่าโทมนัทไม่มีอมิตรนั้นยันดีกว่าโทมนัทแบบมีอมิตรที่ต้องเกลือกกลั้วอยู่ด้วยสิ่งเร้ทาทั้งโลกอันเสมือนอย่างเหนียวโทมนัทแบบโลกโลกนั้นทําให้เรารู้สึกตาบอดขนาดยอมฆ่าตัวตายได้ แต่โทมนัตแบบอาศัยเนคคำมะนั้นอย่างดีก็แค่ทำให้กลัดกรุ้มชั่วครู่แล้วสลายลงเมื่อมีปัญญาพิจารณาว่าโทมนัตนี้เป็นทุกขเวทนารูปแบบหนึง่ง <c oughs> เกิดจากเหตุปัจจัยคือปฏิบัติธรรมจนอยากได้มรรคผลเกินไปเกินประมาณของตนมีความไม่เที่ยนเป็นธรรมดาคือเมื่อหันเหความอยากไปเป็นการพิจารณาธรรมต่อ เอาใจไปจอกับสิ่งที่เป็นประโยชน์เฉพาะหน้าเสียเท่านั้นเขามนัตก็แปลเป็นอุเบกขาหรือกระทั่งสุขเวทนาก็ล้นเหลือไปได้รู้เวทนาอาศัยการพิจารณาธาตุหจากธาตุวิพังคสูตรพระสุตรตันตปิฎกเล่มที่6ที่เคยแสดงแล้วในบทที่8หลังจากพิจารณาธาตุหยาบเช่นดินน้ำไฟลมและช่องว่าง พระพทธองค์ให้พิจารณาว่าต่อจากนั้นสิ่งที่เหลืออยู่อีกคือวิญญาณอันบริสุทธิ์บุตรองบุคคลย่อมรู้อะไรอะไรด้วยวิญญาณ น, นั้นคือรู้ชัดว่าสุขบ้างทุกบ้างไม่สุขไม่ทุกบ้างดูก ร, ราพิษุพระอาศัยปัสสะเป็นที่ตั้งแห่งเวทนาย่อมเกิดเวทนาบุคคลนั้นเสวยเวทนาย่อมรู้สึกว่ากําลังเสวยเวทนาอยู่ และเพราะผัสสะเป็นที่ตั้งแห่งเวทนานั้นแลดับไปย่อมรู้สึกว่าความเสวยอารมณ์ที่เกิดจากผัสสะนั้นดับลงระงับลงดูก ร, ราพิสุปรียบเหมือนเกิดความร้อนเกิดไฟได้เพราะไม้สองท่อนประชุมสีกันและความร้อนที่เกิดขึ้นย่อมดับย่อมเข้าไปสงบเพราะไม้สองท่อนนั้นเองแยกกันไปเส้คนละทาง ในบทที่แปดอธิบายเน้นวิญญาณธาตุเพราะเนื้อหาเกี่ยวกับธาตุแต่บทนี้จะอธิบายเน้นเวทนาเพราะเนื้อหาเกี่ยวกันโดยตรงกับเวทนาส่วนสุดท้ายของบทนี้มุ่งชี้ให้เห็นประสบการณ์ภายในของแต่ละบุคคลไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือมือเก่าจะเป็นตัวแปรที่ทําให้เห็นเวทนาด้วยมุมมองที่แตกต่างกันมากเช่น มุมมองของผู้ผ่านการพิจารณาใจโดยความเป็นธาตุหกนั้นตั้งต้นขึ้นจะเหลือแต่จิตเด่นอยู่ในความรับรู้แล้วก็เห็นจิตเป็นเพียงธรรมชาติชนิดหนึง่งเป็นธาตุอย่างหนึง่งไม่มีค่าเกินกว่าธาตุอื่นๆที่หยาบ ก, กว่าดังนั้นเกิดอะไรปรุงแต่งจิตหรือเกิดดับให้เห็นกับจิต ก็ย่อมถูกมองสักแต่เป็นธรรมชาติชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วดับลงด้วยเหตุปัจจัยไม่ได้มีตัวเราตัวเขาความรู้เห็นชนิดนี้ย่อมใกล้เคียงกับการปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นลงไปถึงรากที่ผ่านมาเราเข้าถึงตัวเวทนาแต่ละชนิดโดยมีความรู้สึกตั้งต้นว่าจิตเป็นอัตตามีตัวเราเป็นผู้ดูเวทนาเกิดดับ แต่หากผ่านธาตุมนสิการ บ, บมาอย่างดีมุมมองตั้งต้นจะเป็นจิตนั้นสักแต่ว่าธาตุหนึ่งถูกปรุงแต่งได้สุกบ้างทุกบ้างเฉยบ้างดังนี้ความอย่างชัดในเวทนาโดยสักแต่เป็นธรรมชาติชนิดหนึ่งย่อมเหนือกว่าความรู้เห็นที่ผ่านมาทั้งหมดทั้งสิน้นสมมนาอันเกิดจากความปล่อยวางอย่างถูกต้องนั้น ย่อมเหนือชั้นกว่าสุขอื่นทั้งหลายเพราะจะมาในรูปของความเบิกบานไร้ขอบเขตมีความตั้งมั่นสว่างสวยสงบกายสงบใจอย่างลึกซึ้งเหนือคำพรรณนาผู้ทุชุนผู้ไม่เคยพบสุขอันละเอียดสุขุมระดับดังกล่าวมาก่อนก็ย่อมเกิดความยึดติดอย่างไม่มีทางแก้ซึ่งแท้ที่จริงก็เหมือนเส้นผมบงผังภูเขา ที่พระพุทธเจ้าประธานวิธีเขีย่ยออกให้พ้นทางตาไว้แล้วและได้แสดงไว้แล้วหลายแห่งในบทนี้นั่นคือพิจารณาตามจริงว่าสุขแม้ละเอียดสุขุมก็ย่อมเกิดจากเหตุสุขเวทนาย่อมไม่เป็นตัวตนไม่เป็นตัวของตัวเองและมีความแ ป, ปรปวนไปเป็นธรรมดาเมื่อเหตุปัใจจัยใหม่มาเบียดเบียน เขามานัดอันเกิดจากความอยากได้มักผลเพราะปล่อยวางระดับนี้แม้เกิดบ้างก็น้อยแล้วเพราะทันทีที่ความทุกข์ทางใจเกิดขึ้นมักจะมีธรรมดาตัดไปหาความรู้ว่านั่นเป็นความปรุงแต่งถ้าชนิดหนึ่งไม่ใช่เราไม่เกี่ยวเนื่องด้วยเราแม้มักผลอันจะอุบัติในอนาคตก็ไม่ได้มีความเป็นภาวะอันเดียวกับปัจจุบันนี้เลย ต่อให้บรรลุทมในนาทีหน้าก็ไม่เห็นต้องด่วนตื่นเต้นยินดีในนาทีนี้เมื่อเทียบโสมนัสกับโทมนัสระดับนี้กับสุขแบบโลกโลกก็จะยิ่งเห็นความห่างเห็นช่องว่างที่ห่างไกลออกไปอีกลิปลับผู้ปล่อยวางในระดับพิจารณาธาตุจึงมักมีความใกล้เคียงกับอริยะเจ้าเพราะดำรงชีวิตอยู่ด้วยความเห็นกายใจ ไม่ใช่ตัวตนเสมอๆรู้เวทนาอาศัยอรูปฌานดังกล่าวแล้วในส่วนแรกของหลักปฏิบัติเบื้องสูงว่าพระพุทธองค์แนะให้ละความติดในเวทนาด้วยเวทนาที่ละเอียดกว่าการแบบจับคู่เช่นละสุขเวทนาอาศัยเรือนด้วยสุขเวทนาอาศัยเนคขัมมะ ลาทุกขเวทนาอาศัยเรือนด้วยทุกขเวทนาอาศัยเนกขมมะปกติแล้วถ้าหากเห็นความไม่เที่ยงจริงคือจิตรู้ชัดในสิ่งใดเห็นสิ่งนั้นเกิดขึ้นแล้วดับลงอย่างเป็นกลางก็จะเกิดความไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้นแล้วกลับมาอยู่กับความรู้อย่างเป็นอิสระประาศจากความเกี่ยวพันกับสิ่งใดชั่วขณะที่จะเกิดความเบิกบาน อันจัดเป็นโทมนั์อาศัยเนคขัมมะชนิดหนึ่งตัวอย่างเช่นเมื่อเห็นความทุกข์เกิดขึ้นเพราะคิดถึงการงานหรือบุคคลอันเป็นภาระแล้วกลัดกรุ้มก็รู้ว่าผัสสะคือความคิดกระทบใจก่อให้เกิดโทมนั์หรือลัดเข้าไปสู่ไปรู้โทมนัต์ตรงๆที่ครอบงำใจอยู่เมื่อรู้ว่ากาลังเกิดโทมนัชัดเจน ได้ในอาการเหมือนตาเห็นรูปโทมนัทนั้นก็แสดงความไม่เที่ยงอาจจะเบาลงหรือดับหายไปเลยเร็วบ้างช้าบ้างขึ้นอยู่กับน้ำหนักโทมนัทในแต่ละขณะเมื่อเห็นโทมนัทดับลงโดยปราศจากการติดต่อจิตก็จะหมดความเห็นว่าโทมนัทที่เพิ่งดับลงนั้นเป็นตนแค่รู้สึกเท่านั้นว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ดับไปให้รู้ ชั่วขณะดังกล่าวจิตจึงเป็นอิสระและถ้าไม่มีภาษาใดๆมาดึงให้ไปสนใจก็จะเกิดความแช่มชื่นเบิกบานในอาการที่เป็นอิสระนั้นชั่วขณะนั่นจึงเข้าข่ายสุขอันอาศัยในกรรมะตามบัญญัติของพระพุทธองค์ในสรายตนะนวิพังคสูตรดังยกแสดงแล้วแต่บทต้นยังไรก็ตาม ทั้งเมื่อมองจากที่พระผู้มีพระภาคแสดงไว้และทั้งมองจากประสบการณ์ตรงของแต่ละคนจะพบว่าหลายครั้งจะพิจารณารูปกายก็ดีจะพิจารณาเวทนาก็ดีไม่เสมอไปเราจะสามารถเห็นความไม่เที่ยงของสิ่งถูกรู้และแม้ว่าเห็นความไม่เที่ยงก็อาจไม่เกิดความเบิกบานเนื่องจากเพียงคุมเครือหรือมีอารมณ์อื่นมากระทบอย่างรวดเร็ว หรือเมื่อเห็นสิ่งหนึ่งแล้วดับไปก็คิดเรื่องอื่นต่อทันทีหรือวนกลับไปคิดเรื่องเดิมอีกแบบอ้อยอิงตรงนี้เองความรู้สึกเฉยเฉยจึงเกิดขึ้นได้แม้เมื่อเห็นอนิจจังของกายและเวทนาพระพุทธเจ้าจึงได้พิจารณาอุเบกขาทั้งแบบอาศัยเรือนและแบบอาศัยเนกขมมะอย่างน้อยที่สุดก็ได้ใช้เวทนาอาศัยเนกขมมะเป็นเครื่องอิง แล้วก้าวล่วงหรือเอาชนะความติดในเวทนาอาศัยเรือนเสียได้ขอให้ทบทวนข้อสังเกตตั้งแต่บทต้นว่านาสรายตนาวิพังคสูตรนั้นพระพุทธองค์ตรัสอุเบกขาแม้อาศัยเนกขมมะก็หนีไม่พ้นรูปคือต้องอาศัยรูปอย่างใดอย่างหนึง่งเพื่อพิจารณาความไม่เทียงข้อสุดท้ายของหลักปฏิบัติเบื้องสูงนี้ จึงกล่าวถึงอุเบกขาเวทนาอันมีความละเอียดสูงสุดคืออุเบกขาในารูปฌานดังตรัสว่าดูกระภิกสุทั้งหลายอุเบกขาที่มีความหลากหลายอาศัยอารมณ์หลากหลายก็มีอุเบกขาที่มีความเป็นหนึ่งอาศัยอารมณ์เป็นหนึ่งก็มีอุเบกขาที่มีความหลากหลายอาศัยอารมณ์หลากหลายเป็นไฉนคืออุเบกขาที่มีในรูป ในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสแตะต้องเหล่านี้คืออุเบกขาที่มีความหลากหลายอาศัยอารมณ์หลากหลายก็อุเบกขาที่มีความเป็นหนึ่งอาศัยอารมณ์เป็นหนึ่งเป็นชะนยคืออุเบกขาอาศัยอากาสานัญจาตนะอาศัยวิญญาณัญจายยตนะอาศัยอากินจัญญา ย, ยตนะอาศัยเนวสัญญาณาสัญญาญาตนะ มีอุเบกขาที่มีความเป็นหนึ่งอาศัยอารมณ์เป็นหนึ่งดกราภิกษุทั้งหลายในอุเบกขาสองอย่างพวกเธอจงอาศัยคืออิงอุเบกขาที่มีความเป็นหนึ่งอาศัยอารมณ์เป็นหนึ่งนั้นแล้วและคือล่วงเสียซึ่งอุเบกขาที่มีความหลากหลายอาศัยอารมณ์หลากหลายนั้นกล่าวโดยสรุปคือพระพุทธองค์ให้ผู้มีลาภ มีสิทธิ์เข้าถึงอรูปฌานได้ดังเช่นแสดงวิธีเข้าถึงไว้ในบทที่เจดเรื่องอากาศกสินใช้อุเบกขาเวทนาในอรูปฌานเป็นหลักอิงอาศัยในการล่วงความติดหรือความจมแช่อยู่ในอุเบกขาธรรมดาธรรมดาเสียและเพื่อต่ลำดับขึ้นสูงกว่าอุเบกขาในอรูปฌานพระพุทธองค์ก็ประทานหลักไว้คือ ดูกล้าภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงอาศัยคืออิงความเป็นผู้ไม่มีตัณหาแล้วและคือล่วงเสียซึ่งอุเบกขาที่มีความเป็นหนึ่งอาศัยอารมณ์เป็นหนึ่งนั้นตัณหาคือความทยานอยากความยึดติดเกาะติดเป็นอาการที่เกิดขึ้นแม้ในจิตระดับที่ละเอียดมากๆเช่นแม้จะเข้าถึงอรูปฌานอันไร้สุขไร้ทุกข์ สมบสววางเป็นหนึ่งไม่ต้องอินอาศัยรูปธรรมใดๆแล้วก็ยังพ้นจากความยึดติดสภาพละเอียดสุขุมไปไม่รอดวิธีรอดคือพิจารณาเข้าไปตรงๆว่าในอรูปฌานที่ถึงแล้วนั้นจิตมีความถือดีหรือชอบใจชนิดที่อยากยึดไว้ในระดับละเอียดหรืออย่างเช่นปรารถนาจะแช่จมอยู่ในรสชาติว่างเปล่า ไม่อยากลืมตาไม่อยากเดินจงกรมไม่อยากพิจารณา ร, รมเอะอะก็จะแก้ปัญหาหรือว่าหลบอารมณ์กระทบเข้าสู่อุเบกขาถ้าเป็นเช่นนั้นก็จะสะท้อนถึงอาการติดอยู่รูปฌานอย่างแน่วแน่เข้าแล้วเราก็อาจอาศัยความตระหนักรู้ดังกล่าวพิจารณาต่อไปอีกระดับ ว่าถ้าจิตเป็นอิสระจากความอยากในรสอุเบกขาอันแสนสุขุมนั้นก็จะเป็นผู้ที่ไม่มีตัณหาย่อมมีสิทธิ์เสวยรสอันประนีต ก, กว่ากันคือนิพพานอันไร้เวทนาเมื่อเต็มใจเพราะพิจารณาเช่นนั้นก็ลงมือแก้ไขโดยอาจจะใช้วิธีจำกัดตัวเองไม่ให้เข้าฌานบ่อยจนเกินความจำเป็น เมื่อมีเวลาเข้าที่ภาวนาโดยเฉพาะก็เดินจงกรมเสียสามส่วนในสี่ส่วนกล่าวคือส่วนที่เหลือค่อยนั่งสมาธิเป็นการพักผ่อนหรืออัดกำลังเสริมไม่ใช่นั่งสมาธิเพื่อเสพอุเบขาเวทนาอย่างกิเลสเรียกร้องสรุปการฝึกเวทนานุปัสสนานี้ จะทําให้อํานาจของสติรู้อยู่เหนืออํานาจของสุขและทุกข์ทั้งระดับเล็กน้อยระดับกลางจนกระทั่งระดับกล้าแข็งเมื่ออํานาจของสติอยู่เหนือกว่าสุขทุกข์ประโยชน์เบื้องต้นคือทําให้ศีลบริสุทธิ์ง่ายประโยชน์เบื้องปลายคือทําให้ปัญญาสว่างสวยโดยสะดวกเพราะความยึดติดและความทยานอยากในกามนั้น สืบสาวแล้วก็มีต้นต่อมาจากความสุขความทุกข์ที่เองเป็นแรงบันดาลใจถ้าจำรายละเอียดแนวปฏิบัติไม่ได้ก็จำไว้แค่คำถามที่มีต่อตัวเองในแต่ละขณะว่าขณะนี้เรากำลังสุขทุกข์หรือว่าเฉยและที่รู้สึกเช่นนั้นมีเหยื่อล่อแบบโลกโลกเป็นเครื่องประกอบด้วยหรือไม่ บทที่สิบเอ็ดจิตตานุปัสสนาพุทธพจน์ดูกราพิสุทั้งหลายด้วยการปฏิบัติอย่างไรพิษุจึงจะพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่เสมอได้พิษุในธรรมวินัยนี้ เมื่อจิตมีราคะก็รู้ว่าจิตมีราคะเมื่อจิตปราศจากราคะก็รู้ว่าจิตปราศจากราคะเมื่อจิตมีโทสะก็รู้ว่าจิตมีโทสะเมื่อจิตปราศจากโทสะก็รู้ว่าจิตปราศจากโทสะเมื่อจิตมีโมหะก็รู้ว่าจิตมีโมหะเมื่อจิตปราศจากโมหะก็รู้ว่าจิตปราศจากโมหะจิตหดหูก็รู้ว่าจิตหดหู มเมื่อจิตฟุ้งซ่านก็รู้ว่าจิตฟุ้งซ่านเมื่อจิตเป็นมหารคตก็รู้ว่าจิตเป็นมหาระคตเมื่อจิตไม่เป็นมหารคตก็รู้ว่าจิตไม่เป็นมหารคตเมื่อจิตมีจิตอื่นยิ่งกว่าก็รู้ว่าจิตมีจิตอื่นยิ่งกว่าเมื่อจิตไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่า ก็รู้ว่าจิตไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าเมื่อจิตมีสมาธิก็รู้ว่าจิตมีสมาธิเมื่อจิตไม่เป็นสมาธิก็รู้ว่าจิตไม่เป็นสมาธิ